โดยที่ไม่ทำรูปแบบจิตก็จะหลงฟุ้งซ่านไปแล้วก็จะมีปัญหาใหม่ๆก็จะมีสติดีอยู่หรอกพอสักพักเดียวจิตมันก็หลงไปกับอารมณ์มันก็จะฟุ้งซ่านเพราะว่ารูปแบบเนี่ยยังไม่เพียงพอเป็นแล้วเราต้องอาศัยทั้งในรูปแบบแล้วก็นอกรูปแบบให้มันสมควรกัน มันเอื้อมหน่วยต่อกันทั้งสองอย่างเนี่ยมีประโยชน์ทั้งนั้นถ้านอกรูปแบบเราทําไม่ได้ทําแต่ในรูปแบบทั้งวันเนี่ยเราจะเป็นคนที่เคร่งเครียดยพวกกุมอารมณ์เพราะในรูปแบบเนี่ยมันจะมีการปิดกั้นอารมณ์ไว้มีบังคับกดข่มไปบ้างที่เวลานอกรูปแบบเนี่ยบางทีเรา ไม่ได้เตรียมตัวไว้ก่อนสติมันมาไม่ทันเนี่ยมันจึงๆทําให้จิตมันหลงเรืง่ายๆเพราะนั้นทั้งสองอย่างเนี่ยจะต้องให้มันสม่ำเสมอกันหน่อยคือหมายถึงว่าต้องทําในรูปแบบด้วยนอกรูปแบบด้วยอย่างน้อยก็ไม่ทําให้เราประมาททาให้เรามีศรัทธาในการที่จะสร้างกุศลต่อไปเรื่อยๆ นั่นจำเป็นนะในรูปแบบถ้ามีเวลาก็ทำได้เยอะถ้าไม่มีเวลาก็จัดสรรผู้สมควรเพื่อการปฏิบัติที่ง่ายขึ้นแล้วก็ผ่อนคลายไม่เคร่เครียดเอาละวันนี้ก็เอาเพียงแค่นี้ก่อน